บเก้าสิบเจ็ดต้มไหเย็ดคําสันทานสี่สามุเฉียนนาลกุเขาลับทั้ทงที่โทรทัศน์เปิดอยู่ทีวีโมกุติน่ะปาิกี้อันนะ่ปดุกคุคนีไปยารูเขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้วอาลัยเมายไปนะพอดีอายนนะมารีคอนทส์อีปุบลีปโอดาอุ่นนารุเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วม เ, เมมแอป point m e e t กุนนะพอดีอายนนะาลาเลดโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับทีวีโมกุตุเนวันนี้อน่ะอนะพอดกดปยาร ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่อลสยไปดิอนอนามารอนเซเลลคุณดนาเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาเมอเสคุณนออนาอนาราเลดูทั้งทางที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ ไอ้นวดดาดาไถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วรถดูจารุกันดีไอ้น่าไ์เบงก้าบันดีนาเขาขี่จักรยานทั้งทงที่เขาเมาไอ้น่ามันดุตาการูไอต เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถนะวาไลเซนส์ทัทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็วโรโ ด, ดจา ร, นนะราเบบรนานเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยเโกโยจกเวิรพอดีคือเ อ, อร์ธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเอาเมีนุปิโตวุ่นอดคือเร์วัดดก เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามอามดดับบกไปนะอาม์นดิดเธอจบมาหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้อามลเลจิกเวลินดิอาอามอยกัดรเลดเธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ อเม่หนุ่ปิดตัวคนดีไอ้น่ะปัดิกีอเม่ด็อกเตอร์วันตะก็เวลดูเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถอเม่วันดารดับบลย์ดูไอ้น่ะปัดิกีอเมคารคด